ในการเดินเดินทุดดงนะหรือว่าที่จริงอาจจะไม่ได้เดินก็ดีนะก็มีสิ่งที่ที่สาคัญนะที่เราจะละเลยไม่ได้เป็นอุปาทานนะคือเรื่องของศีลศีลนะของพระของแมช่ชีหรือว่าของโยมก็ดีนะสิลมันต้องดีนะ ิีนไม่ดีนะโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ตนเองเกิดความเสียหายแก่แก่หมู่เพื่อนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทิ่ <Tyler> <så clothes> ในที่นี้จะเป็นศีลของพระสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อศีลของไม่ชีแปดข้อหรือของโยมแปดหรือว่าห้าข้อมันก็อันนั้นก็ถูกในระดับหนึ่งถูกในระดับที่เรียกว่าเป็นสมมุติ ของศีลซึ่งเราก็พยายามรักษาในข้อว่าที่เราทำได้นะหรือว่าเป็นสิ่งที่ดูเป็นสาระเป็นแก่นเป็นแก่นแท้ของของการรักษาถึงศีลแต่ละข้อแต่จริงศีลที่สำคัญที่สุดคือคือเรื่องของเจตนานะเจตนาในการที่จะํำรวมกายแล้วก็วาจาให้เรียบร้อยอันนั้นแหะคือศีลที่ บางทีเราอาจจะไม่ได้รักษาตามพระวินัยนอย่างเช่งครัดนะแต่ขอให้เรารักษาใจในเรื่องเจตนาที่จะรักษากายแล้วก็วาจาให้สํารวมให้เรียบร้อยกายวาจาที่สํารวมเรียบร้อยเป็นแบบไหนก็คือกายที่มีความระมัดระวังนะอ่า จะยืนเดินนั่งนอนจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังรนะมัดระวังแต่ไม่ใช่แบบกลัวหรือว่าเกรงนะสะมัดระวังก็คือมีความสำรวมคล้ายๆถ้าเราบางทีครูบาอาจารย์จะเปรียบเหมือนคล้ายๆสัตว์ป่านะเวลาเขาอยู่กับป่าเขาก็จะสำรวมระวังว่าจะมีเพศภัยเข้ามาหรือเปล่านะ พอมีเพศภัยเข้ามาเขาจะรู้ทันแล้วก็หลบหลีกได้เร็วการสำรวมระวังของเราก็คือเรารู้เท่าทันเพศภัยที่มันจะเข้ามาทางไหนทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้กระทั่งทางใจอันเนี้ยคือความสํารวมระวังก็คือว่าบางทีเราเดินทางเรือว่าเราเปลี่ยนสถารที่ตาเราเห็นรูปให้เรารู้เท่าทัน จิตใจรู้สึกอย่างไรหูได้ยินเสียงใจมันจะเตลิดออกไฟไหมหรือว่าใจสํารวมเพลินปกติอยู่การรับรสอาหารก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการทิ่ที่สุดที่เรารู้เท่าทันเรียกว่าทางอายุชนะทั้งหลายนี่แหละก็คือการที่เราสํารวมระวังเหมือนกับสัตว์ป่าที่เขาปล่อยระวังไฟที่เกิดจากสัตว์ที่ล่าเนื้อหรือว่าเกิดจาก ผ่านที่มาราสัตว์ก็ดีผู้ที่มีสินก็สํารวมระวังเช่นนั้นเช่นเดียวกันคือไม่ปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรากพารากพาให้หลงที่ติดทางไปเนี่ยคือกายของเราต้องรู้ทั น, นกายตัยวเองแบบนีน้คือต้องมีสติรู้ทั้ทันกายตัยวเองแบบนี้ในวาจาค่อยเช่นเดียวกันวาจาก็เป็นสิ่งที่สาคัญการพูด ส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาดหรือว่าพูดพู ด, พ, ดพูดปลดเนี่ยพูดไม่จริงอันนี้ก็คือการที่มีวาจาที่เรียกว่าเป็นสัมมาวาจานะเป็นสัมมาวาจารเราก็ต้องระวังบางทีแต่ที่เขาบอกว่ า, อ, าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดเนะี่ยก็เป็นเรื่องที่ ต้องคำรวมระวังคำพูดภายนอกที่เราจะพูดให้กระทบกระทั่งเสียใจใครให้แทะให้เสียแทงใครแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงต้องคิดพิจารณาก่อนแล้วค่อยพูดออกไปอย่าพูดออกไปแล้วก็ค่อยมาเสียใจทีหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฝึกไว้แต่ที่จริงก็ถ้าไม่จำเป็ น, นก็จะไม่พูดก็ไม่เป็นไรอันนี้คือก็สิ่งที่เราฝึกไป เราต้องฝึกแบบนี้นะกายวาจาของเราถึงจะเป็นผู้ที่มีศีลที่ที่สมบูรณ์ที่เป็นปกติขึ้นศีลนะมันเกิดจากการฝึกฝนะึกนี่แหละฝึกระวังฝึกรู้เท่าทันทางการสำรวมกายแล้วก็วาจาให้เรียบร้อยถ้าเราฝึกตัวนี้ได้มันจะส่งผลให้จิตใจเราเป็นปกติศีลมันไม่ใช่เพียงแค่กายวาจามันดูเรียบร้อยภายนอกแต่จริงมัน สิ่งที่สำคัญของสิ่งคือมันส่งผลให้ใจเราเป็นปกติส่งผลให้ใจเรามั่นคงนะส่งผลให้ใจของเราไม่วันไหวนะดังนั้นพอใจเรามั่นคงใจเราไม่วันไหวจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เก้อเขินไปอยู่ที่ไหนเราไม่กลัวนะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติเพราะว่าอะไรใครมีความมั่นใจว่าเจตนาของเราในการเดินทาง เจตนาของเราในการมาในการไปก็ดีมันเป็นเจตนาที่ดีที่จะฝึกขัดจิตใจของเราเองนะไม่ใช่เดินทางไปเพื่อจะเที่ยวเล่นไม่ได้เดินทางไปเพื่อจะหาลาบส ก, การะไม่ได้เดินทางไปเพื่อที่จะบวชอะไรต่างๆแต่เราไปเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองถ้าเจตนาตรงนี้ยเป็นหลักเมื่อเราชัดเจนกับเจตนาของเราเองแล้วก็อืไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เคอะเขินเ อ, อยู่ได้นะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความมั่นคงในจิตใจของเราด้วยนะและ้วก็ที่จริงก็ไม่ใช่แค่คนที่จะรับรู้ตรงนี้นะอ่าสิ่งทั้งหลายทั้งสว ง, งเขาก็รับรู้ถึงเจตนาของเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเจตนาของเราไม่บริสุทธิ์เจตนาของเราอ่ามันไม่ดีนะบางทีไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ได้รับโทษภัยมากมายเหมือนกัน ในสมัยพุทธ ก, การก็ดีในสมัยอุบาจารย์ที่เดินเทิดตรงมากๆ ก, ก, ก็ดีนะมีเรื่องดาวแบบนี้มากมายซึ่งเมื่อรักษาศีลไม่เรียบร้อยไม่สำนึญระวังดีก็โดนผีบ้างโดนอ่าสิ่งที่เขามาทำร้ายได้บ้างสารพัดนะแต่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องถ้ามันถ้ามันจะสุดวิสัยมันก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ แต่ขอให้เราได้มั่นใจของเราพยายามรักษาตอนนี้ให้เรียบร้อยอาจจะไม่ใช่เป็นการรักษาสิ่งที่เป็นข้อแต่ขอให้รักษาที่อายตนะนี่แหละนะสิ่งที่แท้จริงจะเกิดจากการที่เราเรียกว่าเป็นอินทรียสังวรณ์สินก็คือการสํารวมอายตนะทั้งภายนอกแล้วก็รู้เท่าทันอายตนะภายในของเรานี่แหล ะ, ะมันจะเป็นสิลที่บริสุทธ นะเป็นสินที่ตั้งนั่นไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ได้นั้นเรื่องสินนะเดีย๋ยวจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยต้องพยายามรักษาให้ดีแล้วก็แต่บางทีนะเรื่องของความคิดเรื่องของจิตใจบางทีมันอาจจะควบคุมไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะไม่มีใครควบคุมจิตใจได้อ่านะไม่มีใครจะเรียกว่าจะทำให้จิตมันคิดดีตลอดได้นนะ บางทีจิตมันก็คิดไม่ดีบ้างบางทีจิตมันก็เรียกว่าอยากเออยากจะสนองอยากจะเสพตามความอยากบ้างอะไรต่างๆอันนั้นนก็ขอให้เราทําใจยอมรับความจริงว่าจิตมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราจะมีเจตนาจะคิดไปแบบนั้นแต่เป็นเพราะอำนาจของกิเลสมันพาไปคิดนะไม่ใช่เราตั้งใจจะคิดนะให้รักษาแบบนี้นะ เพราะไม่งั้นบางทีเราจะเกิดความเศร้าหมองในจิตใจทำไมเราคิดไม่ดีทำไมเราเ้ยมีเจตนาแบบนี้ได้หรอเหมือนนะั้มันก็บางทีตาเห็นรูปแล้วเอาไปคิดในทางไม่ดีหูได้ยินเสียงไปคิดต่อในทางไม่ดีขอให้เรามีสติรู้เท่าทันตรงนั้นเดี๋ยวความคิดนั้นก็ตับไปนะเพราะว่าความคิดที่มาเจะต่อได้มันต้องมีเจตนานะที่จะไปปรุงต่อ หรือถ้ามันไม่เจตนาก็เกิดจากการที่กระบวนการของสังขารที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยเพราะความที่เราดูไม่ทันมันนี่แหละเราก็เลยยักยัง้งมันไม่ได้เนอะก็เนี่ยบางทีเรื่องของจิตนะมันคิดไปก็ขอให้รู้ว่ามันไฟของมันเองแต่เจตนาของเราแท้จริงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะคิดในทางที่ไม่ดีในทางเสียหายในทางที่จะออกนอกรู่นนอกทางไปน่ะพอเรามีสติรู้เท่าทันมันจะกลับจากจิตที่เรียกว่า หลงไปคิดหลงไปปรุงแต่งนะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรืองทีใจมันก็หลงของมันเองพอเรามีสติรู้เท่าทันมันก็กลับมาเป็นปกติของมันเองนะเราก็เกิดเรียกว่าศินมันปกติแล้วนะสินื่อทีมันด่างเพราะว่าความคิดนะแต่พอเรารู้เท่าทันมันก็กลับมาเป็นปกติให้เราฝึกแบบนี้นะฝึกแบบนี้เราจะเกิดเออแต่มันจะได้ มันไม่ได้แค่ศีลในการที่รักษาแบบเข่งคัดตามข้อแล้วก็ไปเอาถูกเอาผิดกับตนเองเอาถูกเอาเอาผิดกับคนอื่นถ้าศีลแบบนั้นเรียกว่าเป็นการถือศีลแบบเรียกว่าศีลนภัตตาปรามาส์นะหรือว่าถือข้อวัดต่างๆเข่งคัดแต่ก็ถือข้อวัดแบบศีลนภัตตาปรามาทก็คือคิดว่าถ้าทําแบบนี้แล้วจะทําให้ ไายนั่นได้นี่น่ะคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะเกิดนั่นเกิดนี่อันนั้นคือเรียกว่าศินคตตปรามาสนะแต่สินที่แท้จริงคือเรารักษาเรามีเจตนาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สินที่แท้จริงนี่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะเรียนรู้อย่างที่ภาษาบาลีท่านบอกว่าเป็นสิก ข, ขานะเป็นสิก ข, ขาบทนะสินคือสิก ข, ขาบทก็คือบทที่ พึงศึกษาอ น, นั้นศีลต่างๆศีลสองอยี่สิเจ็ดข้อศีลแปดศีลห้าก็ดีเป็นสิ่งที่ให้เราศึกษาดูถ้าถ้าศึกษาดูว่าการรักษาศีลแล้วเกิดความสุขแบบไหนการรักษาศีลแล้วทําให้อ่ามีภพกระซั์แบบไหนรักษาศีลแล้วทําให้สามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพานได้แบบไหนอันเนี้ยเนื้อศีลเลยเป็นไม่ใช่ข้อห้าม แต่เป็นข้อที่ให้เรามาศึกษาดูนะศึกษาดูการที่เราไม่ทําำไม่ทําปิดทางวาจานะมีวาจาที่เรียกว่าเป็นสุภาษิตมีวาจาที่เรียบร้อยมันทําให้จิตใจของเราเป็นปกติแบบไหนให้เราลองศึกษาดูศึกษาที่ไหนดูตัวเองนั่นแหละพอพูดแบบนั้นไปใจเราเป็นแบบไหนนะพอรู้เท่าทันใจที่มันคิดไม่พูดออกไปจิตใจเราเป็นแบบไหนนะ หรือแม้แต่การกระทําก็เหมือนกันเออพอเราเห็นว่าอ้อความคิดมันจะพาทําไปแบบนั้นพอเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจเราเป็นแบบไหนอันนั้นคือสิ่งที่พึงศึกษาหรือว่าพอทําผิดไปแล้วนะจิตใจเราเศร้าหมองเราทุกข์แบบไหนอันนั้นพอเราศึกษาเราจะเกิดความรู้ว่าอ้อที่แท้ศีลเนี่ยเป็นตัวช่วยจริงๆนะเป็นตัวช่วยให้จิตใจมันมีความสุขเป็นตัวช่วยให้จิตใจมันมั่นคงนะ ใจิตใจที่มีความสุกนี่แหละมันจะทําให้เกิดอความเป็นสมาธินะความมั่นคงเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นชื่อของสมาธิก็ได้เพราะว่าพอเราคล้ายๆศรัทธาในตัวเองได้ชื่นชมในตัวเองได้มันก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาของมันเองเพราะว่ามันก็ไม่ต้องไป ค, คอยคิดว่าใครจะจับถูกจับจิตเราหรืเปล่า ไม่ต้องไปคอยคิดว่าจะต้องไปแสดงอาการอะไรให้ใครศรัท้าให้ใครเื่อมใสหรือป่าเพราะว่าเรามั่นคงในจิตใจของเราเองเพราอเรามั่นคงในจิตใจของเราเองน่ะมันก็เรียกว่าไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดของคนอื่นไม่หวั่นไหวไปกับกิริยาของคนอื่น <c oughs> เขาจะพูดอย่างไร <c oughs> เขาจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรารู้ที่เจตนาของเราเองเนี่ยพอเราไม่หวั่นไหวแล้วจิตมันเป็นสมาธิ เมื่อมันเป็นสมาธิแล้วมันก็สามารถเจริญสติได้ต่อเนื่องนะสติสมาธิหรือว่าศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะหรือนแะ ม, ม, ม้แต่เรื่องของปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปรอตอนขั้นไหนที่จริงปัญญามันก็เกิดอยู่ทุกขณะอยู่แล้วนะ <S <S เกิดจากการที่พอเรามีสมาธิแล้วก็มีสติในการรู้เท่าทันอารมณ์ตอนนั้นแหละจิตมันก็จะเกิดปัญญาขึ้น นะสะสมความรู้สะสมความเข้าใจเรื่องของกายและก็เรื่องของใจอยู่ตลอดเวลาที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในทางพุทธศาสนาแต่ว่าพุทธศาสนาก็ได้หรือว่าที่จริงเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ได้นะมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะพอเราดูดีๆนะเราดูดีๆมันจ ะ, จะเห็นเนาะศีลสมาธิปัญญาอะไรต่างๆมันสัมพันธ์กันไปหมดแต่ต้องรักษาให้มันถูกเนาะ รักษาให้มันถูกอย่างพวกเราก็หลวงพ่อท่านกว็วางพื้นฐานให้พวกเราดีดแล้วเรื่องของสตินี่แหละนะให้เอาสติเป็นแกนกลางในการที่เรียกว่าทําให้เกิดความเป็นปกติกต็ถือศีลคิดใช้จริงไม่ใช่ถือศีลแบบศีลพักตรปรามาสแต่เป็นการถือศีลแบบที่เรียกว่าเอาเจตนาไปที่ตั้งเจตนาในการตั้งใจดีเจตนาในการทําความดี ให้มีตอนนี้เป็นที่ตั้งนแล้วก็คอยมีสติรู้เท่าทันเวลาความคิดมันเกิดขึ้นนะให้รู้เท่าทันไม่ให้ไม่ให้การปรุงแต่งมันเกิดขึ้นต่อไปยาวนะรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันแล้วจิตมันก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองมัา จ, จะคิดใหม่อาจจะลองใหม่อะไม่เป็นไรรู้เท่าทันใหม่จิตก็กลับมาเป็นปกติของมันเองแล้วอัเนี้เรื่องของสมาธิ ของเราอาจจะไม่ต้องเน้นเรื่องการทําสมาธิเพื่อให้ได้ได้ฌานนะได้ยานได้ฌานขั้นไหนนะแต่เราเอาเอาตัวเด่นเด่นก่อนเอาคือสมาธิที่เรียกว่าสมาธิชั่วคราวนะเรียกว่าคณิกาสมาธิ s. ให้สมาธิตัวเนี้ยมันต่อเนื่องไปเยอะๆให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆคณิกาสมาธิ s. คือสมาธิที่เรียกว่าเกิดขึ้นชั่วคราวนะเกิดขึ้นชั่วคราว แต่จริงมันก็มีคุณภาพเช่นเดียวกันนั่นแหละนะให้เป็นสมาธิที่เกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเกิดขึ้น บ, บ่อยๆเมื่อสมาธิตัว น, นี้มันเกิดขึ้นบ่อยมันก็เรียกว่ามันก็สะสมพลังของมันเองคล้ายๆกับน้ําฝนคล้ายๆกับเม็ดฝนนะมันตกลงมา บ, บ่อยๆตกมาทีๆตกลงมาแรงๆมันก็กลายเป็นน้ําไหลน้ำหลากเป็นดําทานเป็นแม่น้ําได้อ่า ดียดูถูกสมาธิเล็กน้อยนะเด๋ยดูถูกสติไม่เกิดขึ้นเล็กน้อยมันจะสะสมให้เป็นกำลังให้เป็นพลังได้แะ น, นั้นให้เรารักษาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเมื่อเราทำแบบแบบนี้ได้ปัญญามันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าปัญญาเป็นเรื่องของผลนะแต่เรื่องของเหตุที่เราทำถูกแล้วนะศีล ส, สมาธิหรือว่าสติเนี่ยมันเป็นเหตุทาให้เกิดปัญญานะ ให้เราพยายามทางตรงนี้แล้วก็มันจะทําให้เราไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่จะเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวใครจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรารู้ที่ตัวของเราเองนะใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรเนะี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เราองอาจแก้วกล้าอยู่ที่ไหนก็สามารถยืนได้เนาะจะพบเจอใครก็พบได้นะไม่ได้เอาการเปรียบเทียบภายนอก แต่เอาการรู้สึกภายใน จ, จิตใจของเราเนี่แหละนะเป็นเจตนาที่ไปดีเป็นเจตนาที่จะทำความดีเป็นเจตนาที่จะทำจิตให้มันดุจพลได้นะแต่จิตมันก็ดุจพนของมันเองไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่เราเอาเจตนาตัวนี้เป็นที่ตั้งเนาะให้เรามีเป้าหมายในการเดินทางนะมีเป้าหมายในการเดินทุดงคอย่างที่พูดไว้เมื่อเย็นเรามีเป้าหมายเดินทุดงเพื่อขูดคัด ขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจนะอ น, นี้คือเป้าหมายหลักแล้วเราก็ทําข้อวัดต่างๆให้มันให้มันดีมันก็เป็นวิธีหรือเป็นเครื่องมือในการขูดขัดเกลวจิตใจให้กิเลสมันออกไปนี่แหละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มีเอาแต่ความคิดนะเจตนาเฉยๆก็ยังไม่พอต้องมีการกระทําลงไปด้วยนะการกระทําก็คือการมีสตินี่แหละ คือการสํารวมแล้ววังเนี่ยคือการที่ให้มันช่ชวยๆกันไปเนาะก็ฝากไว้นะฝากไว้แล้วก็เอาไปใช้ในการเดินทุดดงแล้วก็ในในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะ